มีชนิดท่าเป็นบ้างไม่หวังไม่หวังเจ้าหยิบใเรยๆพตื่เช้าขึ้นมาก็หยิบจิตขึ้นมาดูแล้วหยิบทันทีเราเข้ากอดไม่ได้เนียไม่วางหรอกต้องดูนานโดยเฉพาะถ้าเราปัญญาปัญญามันแจ้งนนมาให้สิ่งที่เราหยิบมาตัวจิตผู้รู้ที่เราหยิบมาจิตประพัฒสอนเนี่ย เป็นตัวทุกล้วนๆเลยตอนนี้เราเห็นว่าเป็นตัวดีเราเห็นว่าตัวจิตผู้ดูของเราเป็นตัวดีเราก็ได้รักเราอย่าผัวงแหงอะไรก็ามาแพร่ผ่านทั้งสายต่อสู้วันหนึ่งปัญญาแจ้งนี้ตัวทุกล้วนนะ้วนนั้นจะรีบวางวางเองหาทางวางอยังไงก็ไม่ได้ไม่ไงจิตเรายังมีสองชนิด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 หลวงปู่ไปพูดไปบอกว่านักปฏิบัติส่วนมากกระทั่งท่านทานี่มีชื่อเสียงมากๆส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ไม่ใช่คำว่าผีใหญ่หมายถึงถ้าตายไปจะไปฟลอมบโลกไปอยู่สุดทวาสตั้งไหลบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้และไม่นึกว่าจะต้องปล่อยวางด้วยคิดว่าสภาวาเนี่ยปลอดภัยแล้วมีความสุขแล้วดีแล้ว เนี่ถ้าเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเราจะเห็นบางท่านเห็นว่าเป็นอนิจจังนะของไสได้ยังมองได้อีกมองได้ก็ของไสได้อีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นว่ามันของไม่เที่ยงแล้วยอมวางเข้าถึงความหลุดพ้นบางท่านเห็นเป็นทุกข์โดยจิตผู้รู้นี้ตรวจทุกข์ล้วนๆมีแต่ตัวจทุกข์ล้วนๆแล้วก็วางบานคนเห็นเป็นอนัตตาวางไปเลยต้องเห็นใจลัก เห็นด้วยใจจริงๆต้องเห็นยากเนี่ยตัวจิตผู้รู้เนี่ยสว่างสวัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูว่าไม่เที่ยงดูยากนะตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขอ่ะให้ดูให้เห็นเป็ตัวทุกข์กยากนะเออมันรักษาเอาไว้ได้ด้วยเห็นไหมปกปองไว้ได้รักษาไว้ได้จะดูว่าไม่ใช่ตัวเราก็ยากอีกเพรว่าตัวนี้ยากยากที่สุดการปฏิบัติเนี่ยมีจุดที่ยากที่สุดอยู่สองจุดจะกภูทรชน ขึ้นเป็นพระโสดาบานันยากที่สุดเลยความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วจุดที่ยากที่สุดอีกจุดหนึ่งตรงพระนาคาขึ้นเป็นพระราหันยากที่สุดเมันเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจอีกแบบหนึ่นององ่า ม, มัเนเกี่ยวกอับผองใ ส, งใสทั้งวันทั้งคืน อ, อย่างนี้นแหละดูเหมือนเชี่ยงหนึ่งนะดูเนี่ดูไปเรื่อยจะไม่เห็นใคลัก ถ้ากําลังทออย่างนจะเห็นใจรักถึงจะยอมวางถ้าวางแล้วคราวนี้ทิ้งจิตประพัฒสอนแตจิตประพัฒสอนดูประพัฒน์สอนไปอย่างนั้นเลยแต่เป็นจิตที่โง่เป็นจิตที่มียวิชามีความไม่รู้อริยสัจแฝงอยู่อย่างลึกซึ้งจิตประพัฒนสอนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองนะคือตัวทุกข์ไม่ก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าการที่จิตใจยังพอใจบัวพันอยู่กับจิตประพัสนสอนนี่ก็เป็นตัวสมุทยัย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 จิตประทัดสอนยังมีขอบมีเขตรู้สึกไหมมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมันไม่เป็นอิสระจริงเข้ารู้เราเห็นใจรักนะมันวางจิตประทัดสอนว่างทิ้งนะว่างเลยมาคนว่างทิ้งปล่อยทิ้งคืนให้โลกไปมันจะเข้าถึงธรรมชาติอีกชนิดนึ่อันนี้ธรรมชาติเนี้ยคงที่เลยจิตที่ไปรู้ธรรมชาตินี้นะเป็นจิตที่กว้างขวางไรขอบเขตไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาเพราะมันใหญ่ใหญ่เต็มโลก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 มีหนึ่งเดียวไม่มีสองละส่วนจิตตระพันธ์สารยังเป็นจิตที่มีสองอคือมีจิตที่ไม่ประพันธ์สารจิตหนึ่งหรือจิตเดิมถ้าพูดอย่างปริยัตในฝ่ายเทรวาสเรียกว่ามหากริยาจิตมหากริยาจิตไม่ทำำนะํากรรมอะแต่ว่ารู้อารมณ์นะไม่เข้าไปเสเบมไม่ไหลไปไหลามาไม่เข้าไปเกาะ อ, อะไรไม่มีการกระเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลง กันดูไปดูได้ตามชั้นตามกลุ่มนะตอนนี้ก็เห็นว่ามันดีไปก่อนธรรมะเป็นของกลางใครทําก็ได้นะอย่างเป็นอารวาสเป็นพระอะไรเนี่ยเป็นโดยสมมุติเป็นพระมาใส่ท่าเหลืองเรียกสมมุติสิบส่วนพระแท้ๆเป็นในใจเราอารวาสก็เป็นได้นะ mm hmm. คุณหมอเป็นไงส่งแผนบ้างคุณหมองางแปลก าแต่นที่มาีปาเร่งคือคุณหมอดูเร่เรกันแล้วกันนะอยู่ห่างๆขับรถไไม่ได้ฟังซีดีแต่ควที่ขับรถใสมีนั่นะไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมนี <Okay. S 1> ่นะนะพากันในะดีแล้วคุณหมอเรวก็เอาตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองเให้ได้ทาตนเป็นที่พึ่งทำตนเป็นเกาะเป็นเกาะก็ไม่ใช่ไปกเกาะเกี่ยวนะ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 มองๆมองเนี่ยมีโมหะแทกเดี๋ยวกินข้าวแล้วอาจจะหายถ้าทำไมกินข้าวแล้วหายมีกิจกรรมเคลื่อนไหวไปมาหมอนตะลิชาเป็นไงนะกลางกลอย่างแล้วก็ติางออาดีไปดูไปแลมันกระจายตัวออกไปหมดลว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 ที่แรกคืทิฏฐิบริสุทธิ์กันมีทิฏฐิบริสุทธิ์เอ้าเฟนเป็นไงเฟินเออดีที่เห็นนะดูไปวันหนึ่งก็ไม่เป็นตัวเราหรอกมันเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะว่ามีส่วนอื่นเข้าไปประกอบจิตมันก็เลยเป็นตัวเราขึ้นมามีความคิดน่ะเข้าไปประกอบมีบัญญัติเข้าไปประกอบมีความความหมายรู้ผิดๆเข้าไปประกอบ เป็นสัญญาที่ผิดใช่ใช่ใช่นะทำงานด้วยกันอย่างนั้นดี้วที่เห็นคุณเล็กคุณเล็กว่างไงนะพูดเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอน พ, บบพระบุคราภโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไร <c ười> แล้วไงวรเริ่มรู้สึกว่า ว่าในเวลายอยู่ปฏิบัติใช่ดีที่รู้แล้วพอเห็นปาก็มันก็เกิดความรู้สึกรอบด้วยว่าจะเป็นอะไรเรียป็นคับอืมดีละดีะจริงจริงเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนเพื่อให้รู้สภาวะถ้าเห็นสภาวะแล้วใช้ได้แล้วนะจะเป็นครูสนหรือจะเป็นอาครลสอนก็ใช้ได้เท่งนั้ น, ห น, นะนแหละไม่จําเป็นต้องดีหรอกจะไปเห็นเลยจิตมัน ง, ง่เข้าไปปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาแล้วมันก็ทุกข์เองนะ เป็นคนดีนะนักปฏิบัติแล้วมันก็ตูง แ, แล้วก็รู้ทันความตูงแต่งฝ่ายกูศนไปตัวตูงแต่งฝ่ายกูศนนะคนดีๆแล้วยากแต่คนชั่วละง่ายคุยแจ้บอกคนคนเทียงกันน่ะว่าความดีกับความชั่วอะไรทําได้ง่ายกว่ากันคุยแจ้บอกคนดีแนละ้วทําชั่วยากนะทําดีง่ายคนชั่วทําชั่วง่ายทําดียากของเราพวกคนดีนะ สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอยากคน้นพุกเป็นงบนดีเพราะพอเราภาวนาไปนะเกิดสติสมาธิปัญญาเกิดอะไรขึ้นนะเราละยากละยากเลยจะพาไปเจอจิตผู้รู้จะเห็นจิตผู้รู้ละยากที่สุดเลยเพราะพิเศษที่สุดเลยวิเศษที่สุดเลยเอาเงินมาแลกยังไม่เอาเลยเนาะ <c ười> หวงเพราะฉะนนละยากที่สุดเป็นอย่างมงนะะค เราการเมืองไม่ดีเร้าร้อนนะดูใจเอาสีไปดูการเมืองตัวนอ้อยรู้บ่อยๆนะหมู่นี้คนที่มาวัดหลวงพ่อนะจิตใจเล้าร้อนเป็นส่วนมากกรสับกระส่ะายเต้าหมองเพราะว่าอิทธิพลทางการเมืองเล่าอย่างหลวงพ่อนะสบายไม่ได้ฟังข่าวไม่อ่านหนังสือพิมพ์นะไม่รู้เรื่องหรอกสบายไม่รู้ว่าวันนี้เา็าจะย้ายไปไหนๆ ไ, ไม่รู้นะ คุณเล็กมีอะไรอีกไหมคุณเล็กจิตมีโมหะทราบไหมมัวมัวดูออกไหมดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอมันหายมัวเนี่ยก็เลิออกว่ไม่เหมือนกันตอนนี้มันจะซึมๆอยู่นิดนึงเอาคุณสารยายังทํำเยอะนะยังทำเยอะน้อมใจเข้าไป นัปฏิบัติเยอะเลยเวลาลงมือปฏิบัติแล้วน้อมใจให้าไปแช่แช่ไว้ข้างในแช่รู้ทันไปนี่แหละไม่ต้องเทรียดนะดีแล้วเออรู้เฉยๆรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะเออไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าสติเกิดเราเริรู้กายนะจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกบ้างไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเรารู้สึกตัวเป็นนะรู้สึกตัวจริงๆอ จ, จะรู้สึกทันทีเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่รู้สึกหรืออันเดียวว่าจิตเป็นตัวเราจิตขณะนี้ตื่นเต็มที่หรือยังอตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นเต็มที่นะยังจงใจทําอยู่ยัมีความจงใจทําดูออกไหมยังกระพองให้รู้ทันนะงั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะตรงเนี้ยตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ค่อยๆเดียนแต่ดีละนี่ล่ะมาจากไหนมาด้วยกันเนี่ยแล้ตามมาดูเนาะบางบ้านพ่อแม่พาลูกมาลูกอยากมานะพ่อแม่ไม่ได้จักมารายหนึ่งนะพ่อขับรถแท็กซี่เกณฑ์พ่อขับแท็กซี่พามาทนี่เนี่ยแล้วพ่อมาถึงแล้วนั่งเออละเฮ้ยสบายใจลูกเคร่งเคียดทั้งเก็บกระเจดย ฟังไปชั่วโมงนะพ่อร้องจากเลยโอ้ผมภาวนาเป็นแล้รู้ล้จิตผมมันวิ่งไปที่พระประธานแล้างวิ่งไปที่โนลล้นบ้างที่นี่บ้างเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็พุ่งเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายห้ามมันไม่ได้เลยนะลูกฟังงงลูกอยังไม่รู้เรื่องเลยนะนะตั้งใจมาเรียนที่ตั้งใจมาเรียนมากนะโลภมันบางหน่วงความอยากมันบางเส่วนพ่อเนะี่ยไม่ได้ตั้งใจ หลวงพ่อพูดอะไรก็คอยรู้สึกคอยดูคอดูไป เ, เรื่ยะเดี๋ยวก็ดูเป็ดให้คอยดูใจเอกนะแต่เราแต่ละขนักไม่เหมือนกัน อ, นอี่ยงฟังหลวงพ่อพูดเมื่อกี้รู้สึกขาใช่ไหตอนนี้ใจเริ่มนิ่งนะิ่งแล้วส่วนใหญ่ในห้องนี้ใจเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจของเราเปลี่ยนแปลงให้รู้ทันออกไปคุณเสือ้อสีฟ้าลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมอเ่างนีนยหัดอย่างนี้นะลืมตัวเองก็รู้ทันค่อยๆรู้สึกไปเออดีบ้านนี้รู้พระวัดหมดเลย มีบุญนะถ้าลูกเข้าบาเข้าขับเลยนะไม่มีบุญเท่าไหร่ใจลอยแล้วรู้สึกไหมแล้วโน่นามากเขาด้วยด้วอามาด้วยกันอะไรนะอีรักใครฟังไปก่อนนะฟังไปาวคุณโน่นส่งกันได้จิดเห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่ง เยอะนะเริ่มภาวนาเป็นแล้วภาวนาเป็นแล้วกิเลสเยอะ<ม>เห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยคนภาวนาไม่เป็นนะั้นนึกว่าเราเป็นคนดีเราจะเข้าข้างตัวเองว่าเราดีดีนี่ทีมนี้ยกตัว อ, อย่างนะแต่เดิมชื่อสิบเอ็ดหนังปลาทีมนี้มีสิบเอ็ดคนนะ <c oughs> มีผู้ชายปนอยู่คนหนึ่งนะเรียกชื่อเป็นหนังปลาไปด้วยพอมาหัดภาวนาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มดผู้รู้สึกตัวเนอะ เราจะเห็นเลยเราร้ายกว่าที่เราคิดดีละดูไปเรื่อยภาวนาใช้ได้นะคู่กำกับว่าไงสังเกตไห้วันนี้มันซึมซึมให้รู้นะจิดมันซึมซึมเศาร์เราก็รู้ลงไปใช้ได้ละดูไปเรื่อยดูเป็นละเห็นความเปลี่ยนแปลงได้แะดีแล้วฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆนะ ฟังไปแล้วก็สังเกตตามไปเรื่อยๆซีดีหลวงพ่อดีนะโฆษณาแจกไม่โฆษณาขายฟังมากๆฟังไปแล้วก็หัดสังเกตสภาวะอย่าฟังเฉยๆนะฟังแล้วหัดสังเกตใจเราไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อสอนๆอยู่บางีก็อ้าวเผลอไปแล้วรู้ไหมเนี่ยเราจะเผลอพอดีทุกครั้งหนึ่งนี่เป็น c ีดีที่แปลกที่ทีไลรับเราเผลอทุกทีแหละเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมมือกำกับ ตื่มกว่าเมื่อกี้ละวมัวน้อยลงอ่ะคุณผู้หญิงนู้นเออเนาะร้ายกว่าที่คิดนะแต่เดิมนึกว่านางเอกเนาะเดิมนะตอนนี้รู้แล้วนางนางร้ายเออดีนะค่อยคดูนะค่อยคไปดูเราจะรู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหมเรารู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้น แล้วพอสภาวะที่เรารู้จักเกิดขึ้นนะัสติเกิดเองมาาันระลึกได้เองว่าเอ๋ออิจฉาอีกแล้วเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เห็นที่อิจฉาไห ม, มออออเออดีแล้วที่เห็นหน้าดีแล้วออเอายมเป็นไงอยู่กันมาหลายปีไม่ยอมมาเรียนประณสุดท้ายถึงจะมาดูไปนะนี่ศิลปินเดี่ยวนะ <c oughs> เดี่ยวละหน้า <c oughs> ในหมู่บ้านนี้มีศิลปินเหมือนกันคุณพัดเป็นไงคุณพัฒน์เฉพาะตอนนี้หรือหรือว่าตลอดตอนนี้มีโมหะเพราะงั้นไม่ชัดอย่าไปขืนให้ชัดนะไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดอยากจะชัดรู้ว่าอยากจะชัดให้รู้ทันลงไปอีกเนี่ยต้องเป็นชัดเอง ถ้าเมื่อไรเรารู้สภาวะตรงความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันได้จริงๆนะจะชัดขึ้นมาเองไม่ต้องไปดิ้นรนให้ชัดนะดิ้นยังไงก็ไม่ชัดหรอกแต่ยิ่งดินนะดด้นนกิเลสยิ่งเยอะตรงที่ดิ้นไปดิ้นมาเ น, ะนี่ยแหละกิเลสมันถาดิน้นงั้นถ้าเรารู้ว่ามันมัวหรือว่าไม่ชอบมันนะใจมันจะตื่นขึ้นมาคุณจากอุดรใช่ไหมเป็นไงฟังมาวันหนึ่งรู้เรื่องอยังดังๆนิดหนึ่ง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 ของคุณติดการปกคองด้วยนะอย่างปกคองวยใครดูไปก็ปเป็นไงก็นี่หลวงพ่อกำลังปรับวิธีสอนเห็ไหมหลวงพ่อไล่ทีละคนนะที่ใหม่มีสามร้อยคนหลวงพ่อชั่วโมงหนึ่งไล่หมดแต่ <c oughs> ไปใครไล่เสร็จแล้วเชิญออกไปเลย <c oughs> อ่อ า, อ, า <c oughs> อะไรนะจิตนานจิตเป็นไง ้รูเออนั่นแหละมันรู้เพราะจิตจําสภาวะได้นะอย่างเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไงจําได้ละพอเผลอนะมันก็รู้ข <ah ึ้นมาเองว่าเผลอไปละเนี่ยเราบางทีเราสภาวะเกิดแล้วเราก็ยังงงมันรู้ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้บอกต่อไม่เป็นจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้ามี สติมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให่สกิดหนมีใครอีกใครน่าหลบใหญ่หลวงพ่อเอียงทางนี้หลบทางนี้เราแหละเราแหละเออเป็นไง น, ไน่าจสติหลวงพ่อไม่ใช่เผลอไปเผลอมานหะลบไปหลบมาเ อ, เอียงทางนี้เอียงตรงนี้น่าหลวงพ่อเอียงทางไหนเอียงกับข้าง ชื่ออะไรหลวงพ่อลืมไปแล้วเออบ่อ ย, อออยสิทิโปไปปวดอยู่วัดป่าแล้วทำไมศึกมาปวดรุนแรงหลวงพ่อแล้วเป็นคราวาสภาวนายากกว่ารานะภาวนายากกว่ากันเยอะแต่คราวาสเนี่ยทำขั้นต้นๆง่ายนะเพราะว่าครวาสเนี่ยมีผัดป่ามากมีการกระทบกระทั่งทั้งวัน อารมณ์ที่มากระตุ้งกระทั่งสาราวะานี่รุ่นแรกเพราะนถ้าเราจะเริยนสติเป็นเนี่ยเราทําการบ้านทั้งวันเลยเราจะเห็นจิตใจเนี่ยทำงานทั้งวันหลวงพ่อสมัยที่ภาวนาแล้วกือบจะเกลียดกล่ามากที่สุดเลยช่วงแรกๆที่ภาวนาทํางานเลยเครียดมากเลยหัวหน้ากองเขาเครียดเราะนั้นในภาวะที่มีปัญหามากๆเนี่ยเราจะขยันดูจะดูบ่อยๆ นั่นเป็นธรรมวาสถ้าดูเป็นนะได้ผล ด, ดีเหมือนกันพนะอได้ขั้นต้นๆแล้วให้ไปปวดก็ได้ธรรมวาสทำตอนทายชายยากนะบอยใชได้นะบอยไปดูไปไม่กลัวมเกิดเหตุไปเปฏิเวสเป็นไงปฏิเวสก็มีใจไม่เป็นกางนะใส่คิดเออใส่คิดได้คิดนิดหน่อยแล้วรู้ทันมันเข้ามา หลวงพ่อก็เคยนะมีช่วงหนึ่งช่วงหันใหม่ๆเวลาดูจิตใ้บางครั้งเข้าไปตะลุมบอลดูไปแล้วตะลุมบอลกับมันเลยแก้มันให้ได้รู้สึกมันไม่ดีมันไปก่ออะไรนะช่วงจิตเสื่อมอะไรเงี้ยเข้าไปตะลุมบอลหลวงพ่อให้เขียนกระดาษแปะไว้ว่าอย่ายึดจิตอย่ายึดจิตพอเห็นคำนี้นะอ๋อนี่กําลังหลงไปตะลุมบอลนะเพราะว่าจิตเป็นตัวเราสอนตัวเองเหมือนกัน แปะป้ายอว้อาจรสุรวัตรก็ใช้แปะป้ายเหมือนกั น, นให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางอะไรนํานองเนี้ยงั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาจิตไม่เป็นกลางคอรู้ทังงนงั้นปฏิเวศสอนตัวเองนิ้หน่อยก็ได้วันนี้จิตมันเป็นยังไงจิตมันเศ้าหมองแต่ตอนนี้มันคลายออกละนะถ้าจิตมันเศ้าหมองก็ให้รู้เ่ราหมองอย่าไปเกลียดมัน อย่าไปกังวล น, นะเืสร้างวัดก็ไม่ต้องกังวล น, นะ เ, เราทําบุญไม่ต้องให้เป็นเจ้าหมองเราทาของเราเต็มที่แล้วก็จบภารกิจเราละนะอย่าให้เจ้าหมองนะก้าเป็นไงก้าอะไรนะเก้าวเฮ้ยดีก้าดูเรื่อยๆนะเก้าจงใจก็เปล่าเออจงใจให้ดูทันนะ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 รู้สึกไห้ความสุขมันโชยขึ้นมามันขึ้นมาเองนะันแผ่วๆขึ้นมาพอจิตมันมีสตินะมีความสุขโชยๆขึ้นมาทําไมจิตมีสติแล้วมีความสุขได้ถ้าจิตที่มีสติเนี่ยเป็นมหาภูุสุรจิตมีมหาด้วยนะไม่รู้ไปได้ประเดี๋ยนมาจางไหเป็นมหาภูุสุจิตมหากูุ้สุรจิตมีเวทนาได้สองอย่างนะสมมนัตมีความเบิกบานใจผุดขึ้นมาแกอุเบกขาเป็นกลางๆแต่กลางลุ่มนวลไม่ใช่กลางแข็งๆนะ ถ้าแข็งๆเนี่ยหักขุนถ้ากลางอย่าง น, นุ่มนวลนี่เป็นอักุนดีแล้วที่เห็นคอๆเห็นสภาวะนะดีแล้วอักขุนผู้ชายถัดไปเนี่ยพี่ปฏิเวทเน่ยเป็นไงเมื่อตนประมาอกเหล่าีที่แล้วแล้ก็เห็นเห็นความเลื่อนไเบื่อเหมือนกันย่งทตลอดเวลาของเราแบ เบื่ออะไรละ่ะเบื่องานเบื่อเมียหรือเบื่อทุกอย่างอ๋อระของร่างกายมันจะเฉอิดแตแปงไปนออ๋อออดีดีอดเวลาดีต้อแป้งไปต้อื่มต้องอะไรต้เราควบคุมไปตัวเครื่องจักร อ, อากาย่างนไม่ได้เออดูว่าร่างกายนเหมือนเครื่องจักรมากกว่าเออดีละดูเป็นเครื่องจักรไม่ใช่ตัวเรานะดูไปหลงพ่อก็เคยเบื่อนะเบื่อไปเบื่อมาต้องช่วยคิดนิดนึงอย่างที่ปฏิเวศบอกนะเอเราไปเบื่อว่า ต้องพามันแปลงฟันความจริงร่างกายมันแปลงฟันของมันเองนะเพราะว่ามันทํางานของมันเองอ่ะร่างกายมันกินข้าวนะมันก็ไปหาข้าวมาใส่ปากมันเองนะแล้วเราไปเบื่อแทนมันทำไมมันไม่เห็นเบื่อเลยก็เลยมาดูภาพเบื่อกินข้าวในปากเบื่อที่เราเนี่ยเราต้องมากเออเครรู้นะดีแล้วจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไม่ใช่ตัวเราหรอกหน้าเบื่อหน่ายดีดีที่เห็นอย่างนี้ ถ้าคุณผู้หญิงที่นั่งถัดมาเป็นไงยังไม่เหนื่อยสองแถวเองเหรอขยันนะขยันเพราะพทะเจ้าท่านเตือนแน่หนึ่งบอกว่าให้พวกเรานะขยันปฏิบัติท่านสอนพระนะบอกให้ขยันปฏิบัติเผื่อเพื่อนสหกันมิเผื่อพระอื่นมาถามว่าการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคืบหน้าไหมอะไรเงี้จะได้ไม่เก้อเขิน คารวะก็เหมือนกันนะพยายปฏิบัติไว้เวลาครูบาอาจารย์ถามจะได้ไม่เขินแต่ว่าพอใช้ได้จิตใจอะรู้สึกไหมดี ก, กว่าแต่ก่อนใช่คอยรู้ไปนะใช้ได้อยู่เหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่ได้ทำหรอกพูดฝ่อมตัวนี่เอแต่คอยกีเติเกิดคอยรู้บ่อยๆนะเอใช้ได้ไหนๆมีใครอีกโอ้โนนหลบหลังบอยติดที่โป่อีกทีนึง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 ถ้าตั้งหลักผิดแล้วจะทำผิดเลยเนื่อว่ากวางเป้าหมายผิดนะงานก็ต้องทําผิดแน่ผิดเป้าบางครั้งรู้สึกไดีที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่วลาเราไปชมเราดูเด็แต่ว่ามันเป็นมาเท่ากนห้ามเราเออห้าไม่ได้ดูไปเรื่อยๆนะดับไปก็เห็นเด็กคนนี้เป็นน่าเกลียดใครดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันค่อยหายไปเองแหละไหนมีใครอีกใครใครจะส่งกันบ้านอัพเรื่องมาใหม่ อันนันแหละทีมข้างหลังนะใครก็ได้ส่งกันบ้านยังไงก็ต้องส่งหมดแหละทีมหวานนะ่ะหวานเป็นไงหวานดีขึ้นหวานวันนี้จิตหวานดีะหวานอย่างเกล่งนะหวานนั่งห่างๆกันน่ะดีลนะหวานมานั่งตรงนี้นะไข่ใหญขึ้นเร่งเยอะไปนั่งตรงนั้นกําลังพอดีเลยรู้สึกไหมสบายเอต้องนั่งห่างๆแค่นี้แหละระยะอย่างนี้จับไว้นะ อย่างนี้ระยะนี้พอเหมาะนะสบายแต่ละคนนะั้นมีระยะนะ้นที่จะสบายไม่เท่ากันดีมากกว่านจิตใจเบิกบานรู้ออกไหมนะจิตใจเบิกบานฝุดขึ้นมาเราก็รู้ใช้ได้นะเบิกบานแล้วรู้เนี่ยเลยใช้ได้ถ้าเบิกบานแล้วไม่รู้ใช้ไม่ได้นะไม่เป็นไรมันเป็นร่างกายเราใไฮเปอร์ก็ช่างมันนะแต่จิตใจเรามีความสุขไว้เนี่ยเผลอแว บ, บหนึ่งทราบไหม หลายๆเออ